ผู้สั่งให้ซื้อยาทำลายพยาธิการกินยาถ่ายพยาธิและการรับยาปฏิชีวนะเพื่อทำลายแบคทีเรียการกระทำดังกล่าวก็เป็นการฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือไม่อันนี้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยหมายความว่าชีวิตระดับนี้ถ้าเป็นแบคทีเรียก็เป็นพืชการฆ่าเชื้อโรคประเภทนี้ ก็เป็นการทำลายชีวิตพืชหรือเหมือนตัดต้นไม้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็มีข้อพิจารณาว่า 1. สัตว์นั้นเป็นสัตว์เล็กเป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นสัตว์มีคุณน้อยหรือเป็นสัตว์ที่มีโทษการทำลายชีวิตจึงเป็นบาปน้อย 2. ต้องตั้งเจตนาให้ถูกต้องคือใช้ ย, ยาด้วยเจตนาจะรักษาโรค เจตนารักษาร่างกายไม่ใช่มีเจตนามุ่งร้ายจะทำลายผู้อื่นเมื่อไม่มีเจตนาจะฆ่าก็ไม่เป็นปนาณาติบาตไม่ผิดศีลเจตนานี้มีเหตุผลที่สมควรเพราะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่จะต้องรักษาร่างกายชีวิตของตนให้อยู่ในสภาพที่ดีและก็มีหลักความจริงข้อใหญ่อย่างหนึ่งว่าในฐานะของมนุษย์ เมื่อเรามีชีวิตอยู่ถ้าว่าตามความจริงแล้วจะให้พ้นจากการเบียดเบียนหรือทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตอื่นโดยสิ้นเชิงไม่ได้การที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แม้แต่การทํางานของระบบต่างๆในร่างกายของเราเองก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือแม้แต่การแตกดับแก่ชีวิตอื่นบ้างไม่น้อยเช่นพวกจุลชีพทั้งหลายเป็นต้นเป็นธรรมดาของการมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะต้องยอมรับความจริงไว้ชั้นหนึ่งทีนี้ข้อพิจารณาสำคัญก็อยู่ที่ว่าเราจะรับผิดชอบได้แค่ไหนปัญหาอยู่ที่นี่นี่คือจุดที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้เราแล้วเกณฑ์มาตรฐานคือเจตนาเอาเจตนาเป็นเกณฑ์ตัดสินมีฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องเดือดร้อนโดยไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งตัวเองจะไม่เป็นอันทาอะไร ตลอดจนจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็จะทําให้คนอื่นต้องตายหรือทําให้คนอื่นเข้าลําบากประการใดประการหนึ่งขอยกตัวอย่างที่เล่าบ่อยๆมีนักบวชพวกหนึ่งที่คิดหนักในเรื่องนี้คือคิดมากในเรื่องที่ว่าทําอย่างไรจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าทําโน่นก็จะเบียดเบียนสัตว์นี่ถ้าทํานี่ก็จะเบียดเบียนสัตว์นั่น แกก็หาทางพัฒนาวิธีการที่จะไม่ให้มีการเบียดเบียนของแกเรื่อยไปนักบวชพวกนี้คือนิโครนซึ่งเป็นลัทธิที่ยึดถือหลักอหิงสามากที่สุดเกิดขึ้นร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าและมีมาในอินเดียจนกระทั่งปัจจุบันนักบวชพวกนี้คิดมากทําอะไรก็กลัวว่าจะเป็นการเบียดเบียนสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นแกก็คิดว่าถ้าฉันเดิน ก็ต้องมีการไปเหยียบสัตว์อื่นถึงตายบ้างแต่จะไม่เดินก็ไม่ได้เพราะว่ามือมีชีวิตอยู่ก็ต้องเดินและจะทำอย่างไรดีแกก็เลยคิดประดิษฐ์ไม้กวาดพิเศษขึ้นมาชนิดหนึ่งเวลาเดินไปไหนก็ต้องถือไม้กวาดไปด้วยกวาดพื้นข้างหน้าไปตลอดทางทีนี้แกก็มาคิดอีกว่า้ะแกจุดไฟก็ต้องมีสัตว์มาถูกไฟไม้ตายบ้างเราก็บีดเบียนสัตว์ทาอย่างไรดี นักบวชพวกของแกก็เลยไม่จุดไฟทีนี้ก็คิดอีกถ้าอาบน้ำก็จะเป็นเหตุให้สัตว์บางอย่างต้องตายอาจจะเป็นสัตว์ที่เกาะ อ, อยู่ตามตัวหรือที่อยู่ตามพื้นเวลาน้ำไหลไปก็ถูกท่วมตายเอ๋ทีนี้เราก็ไม่ต้องอาบน้ำต่อมาแกก็คิดอีกว่าเวลาแกหายใจสงสัยจะมีสัตว์เล็กเล็กน้อยๆ ย, ยเข้าไปตายบ้าง แต่ถ้าไม่หายใจตัวแก่เองก็ตายจะทำอย่างไรดีแก่ไม่มีทางเลือกก็เลยคิดประดิษฐ์้าขึ้นชิ้นหนึ่งเอามาผูกปิดปากและจมูกคล้ายอย่างที่คุณหมอใช้กันอยู่ในปัจจุบันพวกนักบวชนิครนแกคิดมากอย่างนี้ทีนี้ทางด้านพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่ถือหลักอหิงสาเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ถ้าเป็นศีลก็ให้เอาที่เจตนาฉะนั้นไม่ต้องิดคิดมากจนเลยเถิดจนกลายเป็นรับผิดชอบมากเกินไปจนอยู่ในโลกไม่ได้ตามหลักของเราเนี่ยให้รับผิดชอบต่อเจตนาเอาเจตนาเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้แลนอกเหนือนจากนั้นหรือเกินกว่านั้นคนใดอยากจะกลายจากการเบียดเบียนมากขึ้นกว่านั้นจะถือข้อปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีกท่านก็ไม่ห้าม แต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเกินกว่านั้นแล้วการถือปฏิบัตินั้นเรียกว่าวัดแยกให้ถูกวัดในที่นี้สะกดด้วยต่อเต่ารอเรือนะครับศีลมีมาตรฐานที่เจตนาเรารับผิดชอบแค่รักษาเจตนาของเราไว้ให้ได้ถ้าต้องการปฏิบัติให้เข้มงวดกว่านั้นก็ถือวัดคือข้อปฏิบัติพิเศษ ที่เป็นเรื่องของความสมัครใจดังนั้นถ้าคิดว่าตนต้องการห่างเหินจากการเบียดเบียนที่มากขึ้นเห็นว่าการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจะทำให้ตนเบียดเบียนสัตว์อื่นน้อยลงไปอีกก็รับกับใจตัวเองที่จะถือข้อปฏิบัตินั้นซึ่งเรียกว่าวัดการถือวัดอย่างนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจแต่ก็มีเกณฑ์มีขอบเขตเหมือนกันวัดบางชนิดเป็นเรื่องเลยเถิดไป จะกลายเป็นการทรมานตัวเองหรือทำให้เกิดผลเสียแก่ชีวิตและสังคมพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามมีตัวอย่างที่เล่าบ่อยๆแต่คงไม่เป็นไรเล่าเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างไว้คือข้อปฏิบัติบางอย่างเจ้าตัวเข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์แต่บางทีกลับเป็นโทษพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามขอย้าความเข้าใจก่อนว่าวัดต่างจากศีล วัดเป็นข้อปฏิบัติพิเศษที่เรามีสิทธิ์เลือกที่จะถือเพื่อประโยชน์บางอย่างเช่นเพื่อขัดเกลาตนเองหรือฝึกฝนตนเองทีนี้ในหมู่ประสงค์บางทีท่านก็ถือวัดพิเศษขึ้นมาโดยตั้งกติกากันขึ้นเพื่อจะให้การปฏิบัติได้ผลในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าถึงพระภิกษุกลุ่มหนึ่งถึงตอนเข้าพรรษาก็คิดกันว่า ในพรรษานี้เราจะต้องปฏิบัติกันให้เต็มที่การที่เราพูดคุยกันนี่ก็ทำให้เสียหรือย่อนการปฏิบัติและทำให้จิตฟุ้งไปได้ฉะนั้นพรรษานี้เรามาวางกติกาไว้ว่าจะไม่พูดกันแต่ที่นี้จะทำอย่างไรจึงจะอยู่ได้เพราะตามธรรมดาก็ต้องมีกิจธุระบ้างเช่นองค์นั้นเจ็บองค์นี้ป่วยเวลามีเรื่องราวอะไรจะต้องทาจะทาอย่างไร เม่อพิจารณากันแล้วก็ตกลงใช้วิธีตั้งสัญญาณไว้โดยการตีระฆังถ้าระฆังตีขึ้นสามครั้งหมายความว่ามีพระเจ็บไข้ตีสี่ครั้งหมายความว่ามีอันตรายบางอย่างเกิดขึ้นตีห้าครั้งหมายความว่าเรียกประชุมดังนี้เป็นต้นรั้นเข้าพรรษาแล้วก็ไม่พูดกันเลยตั้งใจเอาแต่ปฏิบัติกันเต็มที่พอออกพรรษาแล้ว พระชุดนี้ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามสุขทุก์ว่าพวกเธออยู่กันดีหรืออย่างไรพระก็ภูมิใจว่าพรรษาที่แล้วพวกเราเคร่งครัดดีเหลือเกินคุยได้ก็อวดพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์อยู่กันสุขสบายดีพรรษาที่แล้วนี้ได้ชวนกันปฏิบัติเคร่งมากที่เคร่งมากนั้นทาอย่างไรละ่ะก็บอกว่า ได้ตั้งกติกากันว่าปฏิบัติอย่างเดียวไม่พูดเลยพอเล่าจบพระพุทธเจ้ากลับทรงตีเตียนว่าพวกเธออยู่อย่างปสุสัตว์ต่อจากนั้นก็ทรงบัญญัติห้ามมิให้พระภิกษุทั้งหลายถือมูควัดการถือข้อปฏิบัติเป็นอย่างคนใบห้ามภิกษุไม่ให้ถือเพราะไม่ใช่ว่าไม่พูดกันแล้วมันจะก้าวหน้านในการปฏิบัติแต่ความถูกต้องอยู่ที่เรารู้จักฝึกการพูดต่างหาก การฝึกสํารวมแล้วรู้จักใช้วาจาของเรานี่แหละจะเป็นการฝึกที่ดีกว่าการไม่พูดการปฏิบัติอยู่ที่ว่าจะฝึกตนในการพูดอย่างไรพูดอย่างไรจึงจะดีควรให้ความรู้กันบอกความจริงพูดวาจาดีมีประโยชน์ที่ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในธรรมท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้พูดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามวัดบางอย่างทานองนี้ เพราะมันทำให้ไม่ก้าวหน้าในการพัฒนาตน